ตลอดระยะเวลาแปดเดือนกว่าที่หลวงปู่พักฟื้นอยู่ที่วัดบุรพารามท่านก็ยังไม่ได้หายจากอ า, าพาธโดยเด็ขดขาดดังนั้นจึงต้องจัดให้มีกำหนดการงดรับกิจนิมนต์ข้างนอกวัดและจำกัดเวลารับแขกไว้อย่างเป็นระเบียบ แต่วที่ท่านไม่ชอบนั่งนอนจับเจาอยู่กับพี่ถ้าท่านแข็งแรงพอไปไหนมาไหนได้แล้วท่านมักจะเดินไปเดินมาไปหยุดยืนบ้างนั่งบ้างทั่วบริเวณวัดจึงยากที่จะจำกัดเวลาการรับแขกให้แน่นอนลงไปได้ในการรักษาพยาบาลในขณะนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษ นอกจากฉันยาที่ทางโรงพยาบาลจุราจัดถวายไว้และรายงานให้แพทย์ประจำทราบตลอดเวลาโดยส่วนตัวของลุกกูเองตามปกติท่านไม่ทำความลำบากใจให้แก่ใครอยู่แล้วท่านวางตนเป็นผู้อยู่สุขสบายทุ ก, ท, กทุกกรณีสาุสิทธ และบุคคลทั่วไปจินเข้าใจว่าท่านมีสุขภาพอนามัยดีเป็นปกนติผู้เขียนเห็นว่าหลวงปู่ท่านไม่ได้หายจากอ า, าพาธอย่างสิ้นเชิงแต่ที่ท่านอยู่ได้อย่างปกติภาพมันเพราะอมนาขันธิและพลังจิตของท่านระยะหลังนี้ท่านใช้เวลาให้หมดไปโดยการอธิบายธรรมะ และที่แจงขอบประพฤติปฏิบัติแก่พิสุสมมมณ น, นและผู้ที่เข้ามาเคารพท่านไม่เคยปรารบถึงงานก่อสร้างและงานบริหารของคณะสงฆ์อีกเลยบางครั้งก็ฟังให้สิทฝ่ายกรรมฐานสนทนาธรรมผู้เขียนใช้เวลาว่างอยู่กับหลวงปู่มากกว่าสมัยอื่นๆ เพื่อสังเกตสุขภาพและอาการโดยทั่วไปของหลวงปู่เนื่องจากไม่ไว้วางใจในอาการของหลวงปู่เท่าไรนะักงานฉลองอายุครบแปดรอบคือ96สหปี เมื่อในโอกาสที่หลวงปู่มีอายุครบแปดรอบคือ96ปีคณะกรรมการและศิษยานุติ์ได้มีกำหนดการไว้ร่วงหน้าแล้วว่าจะมีการจัดฉลองเป็นกรณีพิเศษเพราะถือเป็นอภิรักษ์กิตการเมื่อมาประวบกับการที่หลวงปู่ได้หายจากอ า, าพาธ อันเป็นที่วิตกทุกร้อนอย่างใหญ่หลวงแต่สาธุชนทั่วไปทุกฝ่ายจึงพร้อมใจกันที่จะจัดงานให้เป็นพิเศษยิ่งขึ้นโดยไดอารัธนาพระเทราเทระทั้งหลายทั้งฝ่ายคามาวาสีและอรังยวาสีได้เชิญสานุ์ิษ์ทั่วไปและท่านหล่านั้นก็มาประชุมร่วม ง, งานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีพุท ธ, ธาพิเศษเรียนรุ่นพิเศษถวายท่านอีกด้วยท่านนี้ก็เพราะเมื่อก่อนจะถึงงานนี้ไม่นานนกลุงปู่ได้ไป น, นั่งที่กุฏิของผู้เขียนแล้วบอกว่าให้เร่งสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าได้หยุดชะงักมานานแล้วจึงได้กราบเรียนท่านว่า ไม่มีทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเลยตั้งใจว่าเนื่งองานฉรองอายุครบแปดรอบของหลวงปู่ผ่านไปแล้วมีเงินเหลือก็ะจะเริ่มสร้างต่อไปอาภาตครั้งที่สาม วันที่28ตุลาคม2526เวลาสี่นาิกาลุงปู่มีอาการผิดปกติคืออ่ อ, อนเพลียปวดเมื่อยตัวร้อนคล้ายจะเป็นไข้แต่ท่านก็ไม่ปวดศีรษอาการทุกอย่างนี้ ล้ายกับอาการที่เกิดเมื่อก่อนจะเข้าโรงพยาบาลไม่มีผิดเวลาเจ็ดนาฬิกาตามปะกะติหลุงปู่จะออกมาฉันพระตาหารเช้าและต้อนรับแขกแต่วันนี้ท่านไม่ออกมาฉันข้างนอกเป็นนำอาหารไปถวายท่านในห้องท่านลุกมานั่งฉันบนเก้าอี้ และฉันได้เกือบเหมือนปกติหลังจากนั้นได้เชิญคุณหมอมนูมมาตรวจถวายท่านพบว่าความดันขึ้นสูงหน่อยแต่หลวงปู่ไม่ปวดที่สะหลืพและทา่านก็ฉันยาที่หมอจัดถวายหลังจากนอนพักไปชั่วโมงกว่าท่านรู้สึกว่าเป็นปกติแล้ว แต่ยังเพียอยู่พอถึงเวลาเพลนท่านก็ลุกมานั่งที่เก้าอี้ได้แต่ไม่ยอมฉันเมื่อถูกขยันขยอท่านก็เลยฉันข้าต้มเพียงสี่ช้อนและของหวานเล็กน้อยหลังจากนั้นท่านก็นอนพักผ่อนบ้างนั่งบ้างแต่ดูผิวพรรณท่านก็ผุดพองดี เพียงจะมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างกับรีกับเปล่ากับอ่อนเพลียเร็วมากทุก40ถึง45หนาทีตลอดทั้งวันมีพระภิกษุอยู่เฝ้าท่านหลายรูปท่านใช้เวลาส่วนใหญ่นั้นในการอธิบายธรรมะให้ฟังตอบคำถามข้อปฏิบัติต่างๆ ด้วยเสียงอันชัดเจนแจ่นไสทำให้เราอุ่นใจว่าท่านคงไม่เป็นอะไรมากเวลาห้าโมงเย็นท่านส่งน้ำเสร็จแล้วนั่งพักบนเก้าอี้ในห้องท่านดสดใยดีมากดูกริยาผ้าทางของท่านในขณะนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเลยต่อมาสักครู่ ท่านปรารบธรรมะให้ฟังว่าในทางโลกเขามีสิ่งที่มีแต่ในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มีเมื่อกราบเรียนถามถึงความหมายท่านก็เมตตาอธิบายว่าคนในโลกนี้ต้องมีสิ่งที่มีเพื่ออาศัยสิ่งนั้นเป็นอยู่ ส่วนผู้ปฏิบรรัติทมต้องปฏิบัติจนถึงสิ่งที่ไม่มีและอยู่กับสิ่งที่ไม่มีเมื่อเห็นว่าหลวงปู่เพลียพอสมควรแล้วจึงปราบเปลี่ยนขอยท่านพักผ่อนอาการเพลียรเริ่มขึ้นมาอีกแต่ไม่มากท่านก็นอนพูดธรรมะให้ฟังต่อไปอีก ขณะนั้นฝนตกหนักมากผู้เขียนได้ น, นั่งเฝ้าหลุงปู่อยู่จนถึงห้าทุ่มกว่าสังเกตเห็นว่าหลุงปู่มักจะพูดธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติเข้าฌานออกฌานบางครั้งก็นั่งอยู่เฉยๆแบบเข้าสมาธิหรือพิจารณากรรมฐานบทใดบทหนึ่งอยู่ เมื่อท่านออกจากสมาธิท่านจะสดชื่นจะปราธรรมบทใดบทหนึ่งทันทีผู้เขียนจึงเรียนถามท่านว่าหลวงปู่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ขอรับหลวงปู่ตอบว่าความศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยมีมีแต่พลังและความสามารถของจิต ผู้เขียนกราบเรียนว่าตามตำราบอกว่าพวกเทวดามาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้งละหลายโกรดนั้นจะมีศาลาโรงธรรมที่ไหนให้นั่งได้หมดเมื่อฟังคําตอบจากหลวงปู่แล้วก็ประหลาดใจเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังและไม่เคยพบในตําราเร่องใดามาก่อนเลยหลวงปู่ท่านตอบว่า ในเนื้อที่หนึ่งปรมาูเทวดาอยู่ได้แปดองค์ย่านขาววันที่ย9สกาตุลาคมลุงปูมีอาการปวดเท้าซ้าย ตั้งแต่บั้นเอวลงไปถึงปลายเทา้าพร้อมทั้งมีไข้กำเริบอีกที่ทจรเต้นผิดปกติตลอดมาจนถึงหกโมงเช้าอาการของท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบสรงส่งฟุดฟุผู้เขียนจริงโทรศัพท์พทางไกลกราบเรียนท่านเจ้ประคุณสมเด็จพระญาณสังวรให้ทราบ ส่วนอาจารย์พวงทองได้โทรศัพท์ไปบอกคุณหมอชูชัดกัมพูผู้ซึ่งทางราชสมบัติมอบหมายให้มาส่งหลวงปู่จากโรงพยาบาลจนถึงวัดคุณหมอทราบแล้วบอกให้รีบนำหลวงปู่เข้ากรุงเทพโดยเร็วแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงว่าจะทำอย่างไร หกนาฬิกาสาสิบนาทีหลวงปู่ยังออกจากห้องได้นั่งฉันเช้าข้างนอกเสร็จแล้วนั่งพักประมาณสิบนาทีแล้วเข้าไปพักผ่อนในห้องเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีหมอมาตรวจอาการอีกวัดความบันประกัติ ฉีดยานอนหลับให้การฉีดยาแต่ละครั้งนั้นหลวงปู่ท่านห้ามไม่ให้ฉีดแต่ส่วนมากหมอมักจะฝืนฉีดให้ครู่ต่อมาให้น้ำเกลือชั่วประเดียวเดียวหลวงปู่ไม่ยอมรับสั่งให้ถอดออกท่านบอกว่าขออยู่เฉยๆดีกว่า ขณะนั้นเป็นจังหวะที่ดีที่สุดผู้เขียนยึงเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่ว่าขออนุญาตนาหลวงปู่ไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพอีกท่านรีดตอบว่าไม่ต้องเอาไปดอกและพูดต่อไปอีกว่าห้ามไม่ให้พาไปและกราบเรียนถามท่านว่า ทำไมลุงปู่จิงไม่ไปลุงปู่ตอบว่าถึงไปก็ไม่หายกร้าเปลี่ยนถามอีกว่าครั้งก่อนลุงปู่ป่วยหนักกว่าครั้งนี้อีกยังหายคราวนี้อาการไม่หนักเหมือนแต่ก่อนต้องหายแน่ๆนลุงปู่ตอบว่านั่นมันครั้งก่อนนี่มันไม่ใช่ครั้งก่อน ผู้เขียนเองยอมรับว่าในครั้งนี้ก็มีความลังเลใจยอย่างยิ่งตรงกันข้ามกับครั้งก่อนที่สามารถตัดสินใจเอาเองได้อย่างเด็ดขาดก่อนสายท่านผู้ราชการจังหวัดและราชการทั้นผู้ใหญ่อีกสีห้าท่านได้มากราบเยี่ยมหลวงปู่ จึงดปรึกษากันว่าควรจะนำหลวงปู่ไปรักษาที่กรุงเทพหรือไม่ทุกคนที่เห็นหลวงปู่มักจะเข้าใจว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรมากเมื่อเห็นว่าท่านไม่อยากไปแล้วก็พากันวางเฉยตามท่านไปด้วยเพราะโดยปกติในชีวิตหลวงปู่ท่านท่านไม่เคยเรียกหาหมอเลย เท่ที่เคยเข้าโรงพยาบาลสองครั้งก็เพราะท่านีอาการหนักอาการท่านหนักแล้วผู้รักษาพยาบาลจินพาท่านไปท่านไม่อาจขับได้จิงต้องตามใจเขาอาการที่ท่านจะแสดงให้คนอื่ น, นตกกังวลหนักใจในการรักษาพยาบาลมันไม่เคยมีเพราะท่านมีความอดทนเป็นเยี่ยม ตั้งแต่สมัยอยู่ป่าอยู่เขาท่านคงต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมชาติมามากเท่าที่ผู้เขียนอยู่ใกล้ชิดกับท่านมาโดยตลอดไม่เคยได้ยินเสียงท่านควรวญครางหรือถอนใจใหญ่แม้ในเวลาจะรุกจะนั่งก็ไม่เคยได้ยินท่านรุกได้รวดเร็วกระชับกระเฉงเสมอ วันนี้เป็นวันทาบุญครบรอบของท่านคือวันที่29สตุลาคมสิทฝ่ายสงฆ์มากันพร้อมหน้าพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดก็ลังไหายกันมาอย่างมากมายมีสุภาพส ต, ตรีบวชกันชีพราในงานนี้ มากกว่าหนึง่งคนอีกด้วยดังนั้นจึงคิดว่าเมื่อเสร็จงานแล้วหาอาการของท่านยังไม่ดีขึ้นก็จะพาท่านไปรักษาที่กรุงเทพให้ได้จึงศึกษากับท่านผูร้ราชการจังหวัดเรื่องตั้งกรรมการเพื่อรักษาพยาบาลหลวงปู่ท่านผู้ว่า จินแต่งสั้งท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลทูรินและนแพทย์อีกสองท่านเป็นกรรม ก, การรักษาพยาบาลหลวงปู่อวันทารรบุญครบรอบของท่านนั้นเวลาสิบนาฬิกาวันนั้นพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์เวลาสิบเอดนาฬิกาถวายพระสาเนเพนเวลา สามนาิกาท่านเจ้าคุณพุทธพ์ธวรารพรวัดราชบพิตรแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธนียบุคคลประยุกต์ับคุณธรรมความดีของหลวงปู่ขณะที่ผู้เขียนกำลังทราบถึงในพระธรรมเทศนาอยู่นั้นพระองค์หนึ่ง กระซิบว่าลุงปู่เรียกให้ไปพบผู้เขียนก็จึงรีบไปหาลุงปู่เห็นท่านนอนหนุนหมอนสูงอยู่ดูอาการท่านยังสดายเหมือนเดิมเมื่อเข้าไปใกล้ท่านก็ถามถึงการจัดงานความเสียงท่านคลาย ปอแห้งไม่มีน้ำลายทิ้งกราบเรียนท่านว่างานดำเนินไได้วยความเรียบร้อยทุกอย่างตามที่กาหนดไว้และมีผู้บวชเป็นแม่ทีพราหมณ์มากกว่าทุกครั้งฝาหลาใหญ่เต็มหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างหลวงปู่จึงถามถึงสิกฝ่ายสงฆ์ว่ามาครบหมดทุกองค์แล้วิอยาง จึงกราปเปียนท่านว่ามาแล้วแต่กำลังอยู่ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาที่ศาลาเมื่อจบพิธีแสดงธรรมแล้วทุกองจะเข้ามานมัจการและถวายสักการะหลวงปู่ที่นี่หลวงปู่พูดว่าเออเราก็รออย่างนี้อยู่แล้วต่อจากนั้นท่านพูดอะไรเบามาก เมื่อพ้มลงไปชิดท่านก็จับแขนไวแล้วนิ่งเฉยผู้เขียนตกใจนึกว่าท่านจะหมดลมแต่ก็เห็นหลวงปู่หายใจเป็นปกติไม่มีอาการแปลกมีแต่นิ่งเฉยจึงแน่ใจว่าท่านไม่เป็นไรจึงพระถอยห่างจากท่านท่านนิ่งเฉยอยู่นาน จนผ่านเวลาบ่ายไปแล้วลุงปู่ออกจากสมาธิมามีอาการสดชื่นเป็นปกติผู้เขียนจึงกราบเรียนเรื่องงานของวัดให้ท่านฟังเพื่อไม่ให้ท่านมีวิกตกกังวลอะไรและเรียนถามท่านว่าเมื่อสตที่นี้ลุงปู่หลับหรือเข้าสมาธิครับ ท่บอกว่าพิจารณาลำบับชานอยู่ก็พอดีสิทธิ์อาวุโสเข้ามานมาจัด ก, การรุ่มปู่หลายองค์บางองค์สงสัยในข้อปฏิบัติก็กราาเปียนถามท่านท่านอธิบายลำบับข้อปฏิบัติทาตั้งแต่ต้นจนสลอดอย่างชัดเจนข้อนี้ ทำให้ผู้เขียนอบอุ่นใจมากจึงพลาดจากหลวงปู่ออกไปทีงงานบนสาราสี่โมงเย็นล่วงแล้วหลวงปู่สามารถออกมานั่งรับแขกท่านนอกได้ญาติโยมเป็นจานวนมากจึงถืออกจาดรีบมากราบหลวงปู่สักคู่ใหญ่ต่อมาท่านก็เข้าห้อง ถวายน้ำสงแต่ท่านแล้วถวายน้ำพึ่งผสมมะนาวสมอต่ำละเอียดท่านฉันน้ำพึ่งอย่างเดียวไม่ฉันสมอแล้วนอนพักพอนท่ามกลางสงควายอรั ญ, ญวาสีขึ้นนั่งห้อมร้อมอยู่เป็นจำนวนมากวันณะของท่านสดใสเพลงลังผิดธรรมดา ท้าไม่คิดสังหอนกใจไปหลายอย่างเวลาหนึ่งทุ่มผ่านไปแล้วลุงปู่ลืมตาขึ้นมองไปตรงช่องว่างที่เป็นกระจกซึ่งมีม่านติดอยู่อย่างนิดชิดท่านยกแขนขวาขึ้นประมาณ20องศาบอกให้รูดม่านออกสักครู่ต่อมา หลวงปู่สั่งให้พระพิสุที่อยู่ในห้องออกจากห้องไปให้หมดหลังจากนั้นไม่นานท่านก็สั่งให้พิสุเหล่านั้นสวดมนต์ให้ฟังสีหน้าของพระเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วแร่ต่างก็พากันสวดเจ็ดตำมาณย่อให้หลวงปู่ฟังจนจบ ลุงปู่สั่งให้สวดเฉพาะโคดชงกสูตรอย่างเดียวสจบแล้วใด้สวดปฏิจจสมุทรบาตอีกสาจบพระสง์ที่สวดมี 8-9 รูปพอสวดจบหมอก็เข้าไปตรวจอาการอีกเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้ว บรรยากาศของหมอและผู้รักษาพยาบาลขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากไม่มีใครถามหรือขอร้องอะไรใครเลยทุกคนประจักษ์ชัดแล้วคุณหมอก็กลับไปแล้วหมายถึงการจากกันอย่างจริงจังต่อมา หลวงปู่สั่งให้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรให้ฟังเพราะสงในที่นั้นทั้งหมดไม่มีองค์ใดสวดได้เลยเพราะเระาสูตรนี้ยาวมากกว่าสูตรอื่นๆทั้งหมดท่านบอกให้เปิดหนังสือสวจมนต์พอดีท่านอาจารย์ภูลฝักซึ่งอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดมา มีหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงเล่มใหญ่ติดมาด้วยจึงหยิบมาเปิดหาพระสูตรนั้นกําลังพลิกเปิดหาอยู่หลวงปู่ก็พูดว่าเอามานี่ท่านอาจารย์ภูนศักดิ์รีด ย, ยื่นถวายหนังสือเล่ม น, นั้นใหญ่และหนามากท่านหยิบมาเปิดโดยไม่ต้องดูและบอกว่าสวดตรงนี้ พระสงทุกอง์แปลกใจมากเพราะท่านเปิดหนังสือนั้นเป็นหน้าที่ร้อยเจในบทมหาสติปัฏฐานสูตรพอดีท่านอาจารย์ภูนสัก ร, รีบรับจากมือหลวงปู่มานั่งสวดองเดียวหลงปู่นอนฟังในผ้าสีนัส่สยาต พระสูตรนี้มีความยาวถึง41นาทีใช้เวลาสวดเกือบ2ชั่วโมงเพราะท่านให้สวดช้าๆพระสง์ที่อยู่ในห้องก็ทยอยกันออกไปบ้างหลังจากที่พระสูตรจบลงลุงปู่ยังมีอาการประจิต ท่านพูดธรรมะกับพระสงฆ์ที่เฝ้าพยาบาลเป็นครั้งคราวลุกขึ้นนั่งบนเก้าอี้บัง่งนอนบ้างมีตอนหนึ่งท่านได้พาออกนอกห้องและนอกกุฏิของท่านเพื่อสูดอากาศภ่ายนอกพร้อมทั้งมองออกไปที่สลาที่อยู่ตรงหน้ากุฏิท่านซึ่งขณะนั้น ทั้งพระพิสุทั้งคารวะาจำนวนมากชุมนุมจวดมนฟังเทศนั่งสมาธิเนื่องในงานทําบุญอายุครบรอบของท่านคือครบแปดรอบอาตักริยาที่ลุงปู่ออกมาจากกุติเพื่อสูดอากาศและมองดูรอบๆ บ, ร, บริเวณวัดในครั้งนี้ หามมีใครทราบไหมว่าเป็นการมองดูครั้งสุดท้ายเป็นการลาสถานที่ของท่านแม้ผู้ที่อยู่รักษาพยาบาลท่านอย่างใกล้ชิดก็ไม่มีใครเเลียวายเลยสักคนเดียวในขณะนั้นครั้งนี้ เราเห็นท่านมีอาการธรรมดาธรรมดาอยู่ท่านพูดถึงพระพิสษุองค์นั้นองค์นี้ได้ถูกต้องและพูดธรรมปฏิบัติให้พระเนนฟังอีกมากแสดงคำครั้งสุดท้าย มชิมยามผ่านพ้นไปแล้วคือผ่านของนาฬิกาของวันที่30ตุลาคมแล้วหลวงปู่ได้แสดงธรรมว่าด้วยลักษณะการแห่งพุทธปรินิพานด้วยเสียงอันประกติสามประกติในระยะหลังๆนี้ท่านมักจะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ใครๆฟังเสมอท่านกล่าวว่าเมื่อพระสมมาสมุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดอย่างบริบูรณ์ดังกระสงแล้วพรมจึงได้ทรงละวิภาวะตัณหานั้นเสด็จเข้าสู่อนุปเสสนิพพาน คือทรงเป็นผู้หมดทิ้งทุกสัญหาทรงเป็นผู้ดับร้อโดยลักษณะการแห่งอนุปาธิเศสนิพานของพระองค์รำดับแรกก็เจริญฌานดิ่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวทยิตนนิโรธ หมายความว่าเข้าให้ลึกสุดอยู่เหนืออรูปฌาน ท่านทุกฟังครับอะตุโ ล, ลัมฤทความในตอนท้ายนีในตอนใกล้จบนี้ยิ่งยิ่งสำคัญยิ่งยิ่งขึ้นนะครับยิ่งสำคัญยิ่งขึ้นทีเดียวละเออก็อวันนี้เราก็พอเสนอตัวท่านได้เพียงเท่านี้ ก็ขึ้นชั่วโมงเต็มเหยียดเลยแ่ะครับก็ไว้ก่อนอีกตอนหนึ่งพุ่งนี้หมครับเป็นตอนจบกันเลยทีเดียวลนะ